ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีวันสิ่งบางอย่างที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่ามันจะมีปัญหาสำหรับคนทุกคนคือมีคำอยู่คำหนึ่งที่ก็พูดว่าปัญหาเขาว่าปัญหาเนี่ยไม่มีใครชอบทุกคนไม่อยากจะมีปัญหาแต่เรื่องของปัญหาเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะต้องมีกับทุกคนนะ่ะมันจะมากจะน้อย เนี่ยลึนหนักหรือเบาเนี่ก็แล้วแต่แต่และคนว่าเราจะมองปัญหาอย่างไรปัญหาก็หมายถึงความทุกข์คือสิ่งที่เราไม่ต้องการเป็นความทุกข์แต่ว่าในในเรื่องของความหมายเนี่ยสำคัญมากปัญหาความหมายคือเราต้องแก้ไขถ้าเริ่มมีปัญหาขึ้นในตัวเราเนี่ยเราต้องรู้จักแก้ไขการคิดแก้ไขปัญหา คิดแก้ปัญหานี่แหละมันจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับคนทุกคนปัญหาคือหมายถึงการแก้ไขดีซสกว่าเราจะมาเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีกำลังใจที่จะแก้ปัญหาซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรวิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นที่เราง่ายที่สุดนีก็คือการยอมรับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเรา เมื่อเรารู้จักยอมรับในปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยใจที่จะคิดต่อต้านเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้มันจะมองหารูทางที่จะแก้ปัญหาอยู่เรื่อยแหละเพราะฉะนั้นสําคัญคือตัวปัญหาคือเราที่เราต้องแก้ไขแล้วก็ยอมรับแล้วก็แก้ไขไปจะแก้ไขได้หรือไม่ได้อย่างไงนั้นก็ต้องอีกแล้วแต่ส่วนคํามีคํานึงมันจะมาคู่กับปัญหาคือคำว่าอุปสรรคอุปสรรคคือหมายถึงสิ่งที่มันขวางกั้น ความสําเร็จคนทั่วไปเนี่ยที่เคยเจอมาเนี่ยเวลาเจออุปสรรคมักจะท้อแท้หมดกาลังใจงอมืองอเท้าไม่ยอมทําอะไรต่อไปแล้วก็อ้างว่านี่คืออุปสรรคคืออุปสรรคที่จริงมันปิดความหมายอุปสรรคกันหมายถึงสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ฝ่าฟันไปให้ได้การงอมืองอเท้าไม่ทําอะไรท้อแท้หมดกาลังใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นการช่วยทําให้ อุปสรรคนั้น แ, แก้ไขได้เลยได้คำสองคำเนี่ยปัญหา อ, อุปสรรคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เกิดปัญญาถ้าเรารู้จักมองปัญหาคือสิ่งที่จะต้องแก้ไขและต้องรู้จักยอมรับมั น, มนเมื่อพอุปสรรคเราก็ต้องรู้จกที่จะฝ่าฟันให้ข้ามป้นไปได้การมองอุปสรรคในแง่ของฝ่ายดีฝ่ายบวกฝ่ายซ้าทายเนี่ยอันนี้จะมีประโยชน์มาก อย่างนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคอย่างเช่นความคิดมากมายเวลาปฏิบัติธรรมก็คิดเยอะคิดเยอะแล้วก็มาท้อแท้หมดกาลังใจไม่อยากปฏิบัติต่อว่าถูกความคิดตัวเองมีรบกวนตัวเองอันนี้คือตัวอุปสรรคตัวปัญหาแต่ถ้าเรากลับมุมเส้นใหม่ว่าแทนที่จะไปรังเกียจความคิดแต่เรากลับมามองว่าเออ ถ้ามันคิดเมื่อไหร่เราจะจะมีสติรู้ให้ได้รู้ให้ทันตุกั้งที่มันคิดจะมีสติรู้ให้ทันเรามองเป็นเชิงที่ท้าทายแบบเนี้เราจะมีความกล้าหาญที่จะแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้ น, นเนี่ยมุมมองนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากมองอุปสรรคในแง่ดีซะมันเป็นการท้าทายทาให้เราที่อยากมีกําลังใจที่จะเอาชนะอุปสรรคให้ได้ ปัญหาต้องยอมรับแลยก็แก้ไขอุปสรรคคือสิ่งที่ต้องฝ่าฟันนักธุรกิจชั้นแนวหน้าที่ก็ประสบประสบประสบสเร็จนั้นเพราะว่าเขามีปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะแต่เขาไม่เคยท้อแท้กับสิ่งเรียดท้าทายอุปสรรคแล้วก็ฝึกสมองที่จะแก้ปัญหาให้ได้ผู้นี้จึงมีความรู้มากมายหลังจากที่ผ่าน อุปสรรคผ่านปัญหาไปได้ทั้งผู้ที่ครองประเทศระดับประเทศผู้นี้เขาก็เจอปัญหาชีวิตไม่เยอะเจออุปสรรคมาเยอะแต่เขาไม่เคยทอแท้เขาพยายามที่จะฝ่าฟันเขาจึงมีความรู้ความสามารถในการที่จะเอาชนะอุปสรรคและก็ปัญหาเหล่านั้นจนเป็นผู้นําประเทศชั้นแนวหน้าก็มีมากมายเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรค อย่าตอแท้อย่างอมืองอเท้าอย่าหมด ก, กำลังใจลองใช้สมองของเราฝึกที่จะใช้สม อ, องเราที่จะแก้ปัญหาใช้ความสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคให้ได้เราจะได้รับความรู้ได้สติปัญญาแล้วก็ประสบประสบในชีวิตในที่สุด